เทบานหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเดินก้าวไกลใช้เป็นเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม้พระปานาไปขอตั้งใจอาสาเทศบาลหน่วยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นไหวยย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำการที่ทำงานพราะไปทุกระเพื่อนครนิวัด เทศบานคือบันไดของการปกครองตามตลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเันลให้จปังใจด้วยการรักใกันไปเหนือไนไม่สคัญมีบุคเทตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นพังท่านินสุขสันทั่วกันเศบาล ช่วยสมพัญเหสบานสันี้จึงสำคัญรวมกระสานคอยรวมมือ บภานหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจริญก้าวไกลาชากิเปเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม่พระประนานําไปขอตั้งใจอาจสาเสบาลด้วยรับงานมากมายไร้นานเจ็บหรือตายหุ่นไหวยายบานเทศสภานต้องรับแจ้งมาเผ่าทําการที่ทํางานพร่วมไป เพื่อนครนิวัฒนนาเป็นคนตาคนไกลไงเทศบาลคือบันไดของการปกครองต่างคลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อปึกปังพนละม้มอให้จำบังใจด้วยการรับใจกันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลพวาอมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางกานินสุขสันต์ทั่ว บานตคเรานี่ช่วยสัมพั์เทศบาลนี่จึงสาคัญรวมประสานคอยรวมมือแห่งประเทศศิลาอาธิลังส่าร ถ, รถดีเมืองพระศรีพนมบาแหล่งไม้กว่าตองกกงดอหอมแดงเรื่องชื่อนำระบืดตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพน ม, มัาตรคือศูนย์กลางแห่งอาระยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแลดที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตะบนศรีพนมมาตรเเมืองลับแฝลครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบ ก, กับรายการสาระน่ารู้17นาฬกา30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ สัดส่วของก้อนในตินคือว่ า, าเป็นกอน<ป>ดินปะทิศ68เปรอร์เซ็นต ตามไว้บนรถไฟชั้นสามจากหัวลำโพงถามว่าเธอไปลงไหนเธอก้มหน้าก้มตามไม่ตอบว่าจะไม่รับน้ำใจฉันก็วันก็ไว้ว่าพูดอะไรอีกไปหรือเปล่าอายุทยาบ้านมาพาทีถ้าเรือลบบุรีหรือตากตีนครสวรรค์ ชุ่มแสงบางงุนนาเือพี่จิตทายผิดทั้งนั้นสถานีไหนกันนั้นไม่ยอมตอบกันเธอเป็นใบถึงก็ชังไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีความหวังถึงก็ชังไม่ถึงก็ช่าง เราต่างก็มีสถานีปลายทางแขนเธอวางผ่าดขอบหน้าต่างเคยค้างอันเหมินตอบเสียงเบาเลืกินว่าลงสถานีความประกทอันมาน้ำตาร่วงจึงรู้ว่าส่วงของเธอชอบทำบนพึ่มพึ่มพั่มพัมเงินเงินามงาดังคนร่ำ เราต่างก็มีสถานีความหวังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราต่างก็มีสถานีปลายทางแขนเธอวางผ่านขอบหน้าต่างเกยค้างหันหมือตอบเสียงเบาเลือเ้ิยว่าลงสถานีความระกรรม มันมาน้มตาลวงจึงรู้ว่าส่วงของเธอชอบทำบนพื้นพื้นพ้ำพ้ำเงินเงินงำเงดังคนลํานก็ถามกันไปก็ถามกันมาคาถามธรรมดาบนขบวนรถไปเธอก็ถามเช่นกันว่าฉันจะไปลงไหนฉันจึงตอบทันได้ว่าลงสถัทานี้เดียว อาเธอ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมครับเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังช่วงวันเสาร์ที่ผ่านม า, มามีเรื่องให้ลุ้นระทึกจริงๆในเรื่องของพายุโนรูเล่นซาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบห้าตำบลเลยทีเดียวก็มีทั้งน้ำเ อ, อ่อเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบ้าง มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ําที่มันหลากมาค่อนข้างรวดเร็วบ้างมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ก็ทิ้งความเสียหายไว้หรือในเรื่องของดินสไลด์ครับซึ่งก็เป็นจุดที่นั่นแหละครับการสัญจรไปมาจะขึ้นเหนือก็ต้องผ่านจุดนั้นก็ทําให้เกิดความล่าช้าลงไป ก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับในเรื่องของฝนของฟ้าของปีนี้อาจจะมีบ้างประปรายแต่ถ้าหนักๆก็คงจะหมดแล้วเพราะว่าล่าสุดเขาก็ประกาศว่าช่วงปลายเดือนตุลาประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วต้องมาลุ้นเช่นเคยครับว่าหน้าหนาวก็จริง แต่จะหนาวกี่วันหรือว่าตอนกลางวันเงือแตกพลักต้องรอดูเพราะบางปีมันก็หนาวสองรอบคุณรู้ฟังอยู่ๆกลับมาหนาวใหม่หนาวถึงกุมขามกรากฎุมขานุ่นคุณรู้ฟังไอแบบนั้นก็ก็ชอบแหละครับถือว่าใส่เสื้อกันหนาวคุ้มบางทีก็มาได้เสื้อกันหนาวมาใหม่จะใส่โชว์อยู่ๆปุ๊บกลับมาร้อนอีกแล้วว้า เอาอยู่ๆกลับมาหนาวอี ก, กรอบก็ดีใจไปแต่ว่าปีที่ผ่านมาหนาวอยู่เท่าไหร่คุณนูวฟังเจ็ดวันท่วนๆไม่ได้หนาวปากสั่นถึงขนาดไหนเลยแต่ก็อ่ะหนาวสะใจอยู่เหมือนกันก็อย่างว่าครับเป็นสิ่งที่เฝ้ารอครับในเรื่องของฤดูหนาวนะครับ กุมงพาวันวาเล่นหายปีนี้อย่าบอกคนดีว่าพี่คิดถึงสุดใจอย่ามาปากววานไม่เชื่อคาพูดพี่ชายถึงว่าเล่นทายกระไดดอกไม้ก็ยังไม่มีอยากบอกสาัไวา้ดอกไม้มันไม่สํำคัญเมื่อใจพี่นั้นมีให้แค่เพียงคน บสษบาริมทางที่เสือบอกปีกบาง r a a n f a o m ครับหลังจากที่เอาสารณนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของเห็ดมาเล่าสู่กันฟังปรากฏว่ามีคนที่ชอบครับบอกว่าอยากฟังจัดให้อีกรอบครับซึ่งเหตุที่คนนิยมกินนะครับบ้านเรามีอะไรอันดับแรกเห็ดเข็มทองละคุณผู้ฟังเป็นเห็ด ดอกเล็กๆครับที่เติบโตในสภาพอากาศหนาวเย็นมีคุณค่าทางอาหารสูงรสชาติอร่อยถือเป็นหนึ่งในเห็ดยอดฮิตที่คนไทยชอบทานครับซึ่งประโยชน์ก็มีทั้งทานแล้วช่วยลดน้ำหนักเพราะมีไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำกินแล้วอิ่มเร็วอิ่มนานแถมยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้หิวเร็วต้านมะเร็งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสลายไขมันในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ร่างกายดูดซึม อ, อาหารไปใช้ได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติเพราะมีไฟเบอร์สูงช่วยบำรุงสมองเพราะเป็นพืชที่มีกรดอะมิโนสูงจึงช่วยเสริมสร้างการทํางานของสมองในส่วนของความจํากากใ ย, ยในเห็ดเข็มทองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ป้องกันภารระวะไขมันในเลือดสูงทานประจําจะช่วยรักษาโรคตับกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบหรือรัง เห็ดฟางครับสรรพคุณก็มีวิตามินซีสูงทานแล้วช่วยป้องกันโรคเหงือกเลือดออกตามไรฟันมีสารช่วยป้องกันการเติบโตของไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีกรดอะมิโนสำคัญอยู่หลายชนิดหากทานประจำจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อต่างๆช่วยลดความดันโลหิตแพทย์แผนโบราณจัดให้เห็ดฟางเป็นเภสัวัตถุ ที่มีรสหวานเย็นจึงช่วยบำรุงร่างกายช่วยย่อยอาหารบำรุงโลหิตบำรุงกำลังบำรุงตับแก้ร้อนในแก้ช้ำในข้อควรระวังครับไม่ควรรับประทานเห็ดฟางแบบ ส, สดๆเพราะมีสารที่คอยยับยั้งการดูดซึมอาหารดังนั้นควรทำให้สุกมากๆเพื่อให้ร่างกายย่อยง่ายและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นเห็ดออรินจิครับ เฮดอรินจิ ange, มีสารเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติต้านมะเรง็งอีกทั้งยังไปช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงต่อต้านเชื้อไวรัสเป็นแหล่งพลังงานที่ดีทำให้นักกีฬานิยมทานเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟู ก, กำลังทั้งก่อนและหลังออกกำลังออกการแข่งขันผู้ป่วยโรคโลหิต จ, จางควรทานเพราะสามารถช่วยเพิ่มระดับฮิมโ g l o b ในเลือดได้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยป้องกันการถูกทำลายของเซลล์อันเนื่องมาจากสารอนุมูลอิสระต่างๆมีไฟเบอร์สูงช่วยขับถ่ายได้สะดวกขึ้นแคลอรี่ค่อนข้างต่ำมีปริมาณน้ำอยู่ในเห็ดมากทานและอิ่มท้องนานเหมเาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดได้ทำให้หัวใจแข็งแรงมากขึ้นเห็ดหอมครับ ก็มีสรรพคุณมากมายครับต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะมีสารที่ช่วยอยู่มากช่วยให้ยวะภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นทั้งปอดหลอดลมเส้นประสาทสมองมีกรดอะมิโ น, โนที่ดีช่วยให้ไต ย, ย่อยคอเลสเตอรอลได้ดีขึ้น มีสารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบคุมคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเซลล์เนื้องอกป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวมีสารหลายชนิดที่ช่วยลดไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นยาบำรุงกำลังแก้การอ่อนเพลียช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นรักษาหวัด ข้อควรระวังครับสตรีหลังคลอดผู้ป่วยหลังฟื้นไข้และคนที่เพิ่งหายจากการออกหัดไม่ควรรับประทานเห็ดหอมนะครับเห็ดหูหนูขาวครับมีประโยชน์คล้ายกับเห็ดหูหนูดำแต่ออกฤทธิ์ที่ปอดและกระเพาะอาหารส่วนเห็ดหูหนูดาจะออกฤทธิ์ที่ไตและตับอย่างไรก็ตามครับก็จัดเป็นสุดยอดของเห็ดเช่นเดียวกันเห็ดหูหนูขาวช่วยบารุงปอด ยุดอการไอที่เกิดจากปอดแห้งไอมีเสมหะปนเลือดบํา บ, บัดอาการอ่อนเพลียแก้ไอเสมหะมีเลือดปนอาการร้อนในชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันลดอาการหลอดเลือดหัวใจขาดตีบมีริดใต้มะเร็งลดอาการแทรกซ้อนภายหลังจากฉายแสงรักษาโรคมะเร็งมีริดสงบสงบประสาทช่วยให้นอนหลับข้อควรระวังครับทั้งเหตุหูหนูขาวและเหตุหูหนูดํา มีลักษณะทำให้เกิดความชุ่มชื้นความเย็นดังนั้นแพทย์แผนจีนจึงแนะนำคนที่ระบบการย่อยอาหารหรือมีภาวะของร่างกายค่อนไปทางเย็นมากๆต้องทานอาหารหรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติพร้อนประกอบด้วยและไม่ควรกินมากในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่อย่างร่างกายอ่อนแอและมีภาวะหยินของธรรมชาติมากเห็ุนางฟ้าครับ เหตุอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมทานนะครับมีโปรตีนและเส้นใยอาหารสูงเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักรวมทั้งผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหรือหลังผ่าตัดช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดจึงดีต่อหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเร็มเมรงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นมีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยควบคุมจังหวะ ก, การเต้นของหัวใจรวมทั้งความสมดุลของน้าในร่างกาย เห็ดนางฟ้า100กรัมให้พลังงาน 3.3 กิโลแคลอรีก็วันนี้เอามาฝากอีกรอบนะครับแล้วก็มีเห็ดหลากหลายชนิดที่พบเจอได้ในตลาดสดบ้านเราด้วยก็เป็นสาระน่ารู้ที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ อ, อ, อนนองงามบาดใจดั่งนางไม้เมืเ่อยงไอแอเธอไปหวังขอเป็นเพื่อนผ่านไปสองเดือนแจ้งเตือนอยังบ่มีไอ้หน่อยเงาซึมเศร้าเรื่อยไปเจ้าบ่สนใจช่าน่าไอสินนี่เศร้าผ่านไปได้เพียงห้านาทีอยู่ๆก็มีแจ้งเตือนสามวัน ไ อ, บอ้บรอชาทรงแชทหาเธอพร้อมยืนเสนอความรักจากฉันอยู่อยู่ความอยาบกเข้ามาเทียบลันโู้แม่ตาหวานจึงยิงได้ใจเส้นทางสุดท้ายคือโทดนว้วาคือยิ่งแทนนอนเจ้าผู้งามบาดใจพอรองเธอเป็นตอบแชทอ้ายได้ไหมสาวหลกออนไลน์ควนใจของพี่ ได้มาคือความเงียบเงาเธอรังเกียจเขาเสร็จแล้วเรือนีเส้าผ่านไปอีกสิบห้านาทีอยู่ๆก็มีข้อความของเธอ ต้อบว่ามีผัวแล้วน้องตอปลาว่ามีผัวแล้วอย่ามาแซวตัวน้องกระซังสิ่งที่นั่งตอบขึ้นหายทารายกันข้างนอกตอายรอให้นางตับกลับคนที่รับมันช้าใจกว่าเมื่อรู้การดามีผัวแล้วมีผัวแล้วเจา้าตอบกลับมามแบบนี้ได้ไงเซ้าโลกออนไลน์ขวัญใจของพี่น้องตอบกลับมามว่าน้องมีสามีพ่ออยากสิง จากโ ล, กออ ไ, ลไอ้บอรอช้าส่งแชทหาเธอพร้อมยื น, นเสนอความรักจากฉันอยูอย่่ความหยาบก็เข้ามาเฉียบลังผู้แม่ตาวัน ฉันงยิงได้ใจเส้นทางสุดท้ายคือพจนนาวอื่ยิงแหนน อ, อเจ้าผู้งามบาดใจพอ่อบองเธอไปตอบแชทอายได้ไหมสาวโลกออนไลน์ควันใจของพี่สิ่งที่ได้มาคือความเงียบเงาคธอรังเทียเขาเสร็จแล้วหรือไม่สาผ่านไปอีกสิบห้านาที ก็มีข้อความของเธอน้องตอบว่ามีผัวแล้วน้องตอบแล้วว่ามีผัวแล้วย่ามาแซวโตน้องกระสั่งทิ้งที่นั่งตอบขึ้นหายทำไรกันคะน้องสาวไอร้องอให้นางตอบกลับคนที่รับมันช้าใจยิ่กว่าเมื่อรู้การด่ามีผัวแล้วมีผัวแล้วจะตอบกลับมาแบบนี้ได้ไงสาวโลกออนไลน์ขัญใจของพี่ กสาลงรักไม้ปองพี่น้องคนดีอยากให้คนสวยเปลี่ยนใจตอบไอทีเพื่อมีสามีไอยังรับพอดได้ น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเศร้าให้หนาใจไว้่คอยใครเล่านาประเดี๋ยวก็แก้เกินการเหมือนเกลือขึ้นคานเกยท่าใครจะมาเมียงมองและไม้ตาในวัยชราหย่อนยา เดี่ยวมัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมพบาลไม่สงสารอดจงสวรรค์เลยน้องไม่น้องไม่แต่งงานเรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอ แต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมบาลไม่ส่องสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องไม่น้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่ง ฟังหลังจากเพลงนี้ก็ทำให้มิติใหม่การสั่งกาแฟเราเปลี่ยนไปคุณู้ฟังอ่ะเข้าสู่ช่วงที่2ครับค่ำคืนนี้ครับจะเป็นสวดพระพิธรรมค่ำคืนแรกครับงานของคุณพ่อรานศรีมงคลครับอายุ88ปีชุมชนคอกช้างนะครับก็เป็นคุณพ่อของคุณครูสมริดอยู่มั่นใจนั่นเอง คำคืนนี้จะเป็นสดพระวิธรรมคำคืนแรกครับและจะทำการฉปรน ก, กิจในวันพฤหัส บ, บดีที่6ตุลาคมครับเวลาบ่าย3โดยประมาณที่เมนของวัดเสาหินนะครับก็ขอเรียนเชิญคนรู้จักมาคุ้นคนรักใคร่นับถือกับคุณพ่อรานศรีมงคลกับคุณพ่อของคุณครูสมริดอยู่มั่นใจไปร่วมฟังสดพระวิธรรมคำคืนนี้คืนแรกที่สากา ร, รเรียนของวัดเสาหินนะครับ แลวร่วมพิธีชพร ก, กิจในวันพรหัส บ, บดีที่ 6, 6. ตุลาคมครับเวลาบ่าย3โดยประมาณที่เมนของวัดเสาหินด้วยนะครับ โ, โบนองลายยามอายจากมาสร้างตนเพื่อฝันของเราสองคนต้องยอมทนต่อความเหงาใจคนตนทุนน้อยต้องใช้แรงมากหาทางทางไ้บอกใจแต่ก็บอกายเข้าใจายในเดิมคำเพง หัวใจอ้ายสัยามได้ข่าวว่าเจ้าน้อยใจท้อหาบ่ยอมรับสายหลยบ่ออ่านอ้ายก็คิดแทนนักแน่นไว้เดอ้อให้แสวยะท้ออ้ายบ่เปลี่ยนแปลงหากเขายังคงแข็งแรง แงหงียาดายวันนี้สิโย่บันไดหัวใจอายก็มีแต่เจ้าสองขาอายมีแรงเก่าเพราะใจมีเจ้าเป็นเหมือนเส้นชายหากเจ้าบปอยู่ พ่าหูจะสู้เพื่อใครอย่าขิอดอย่างอมดูลายมันบั่นทอนใจของไหห อ, อ้ผู้บ่ิโภอเอาเด้อล่ะสิกลับมาหาบอดน บางหากของคนจนจนสู่กลายสิพเนเงื่อนไขทุกพอสิหอบความฝันกลับมาเป็นรางวัลคนรอถึงวันอายตามฝันพอสิกลับมาขอก็ให้หายหนึ่ง ในมื ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนล้มตัวนอนลงหมอนขาดกับสาดผืนเก่าที่ตรงนี้ยังมีอายเป็นมูเจ้าลบความเศร้าทุกเรื่องราวปวดร้าวในใจลันเบาไว พ่อให้พอโหลดบอ่อน้ำตาลุกขึ้นมาแล้วเงยหน้ายิ้มให้สดใสโยนความมองปนความมองของน้องทิ่มไปเริ่มตนใหม่อย่าไปแค่หักแอย่ยังมี หาข้าวมาซับน้ำตาหากว่ามันไหลและในใจอาอาสาเยาียหยีปรีสบลงไหลข้างหัวใจผู้ชายคนนี้หากบอดีขิมมันไว ล, ลืมไปได้บอก เมื่อยกระพอเพราะเหตุยังความหวังววางปลา่าความปวดร้าวยังบ่เศร้าเจ้าอยาคืดต่อหักเจ็บเจ็บย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้ออ้ายสิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิม มันไหลแหล่ในใจอายาสายยาวยายอีฟรีสพลงลข้ทางหัวใจผู้ชายคนนี้หากบอดีทิมมันไว ล, ลืมไปได้บอกเมื่อยกับพ่อ รอเห็ดยังความหวังววางปล่าความปวดร้าวยังบ่เศร้าเจ้าอยาคืดต่อพักเจ็บเจ็บยาไปเก็บเอาไว้ใจท้ออ้ายสิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิมพักเจ็บเจ็บ อย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้อ้อ้สิขอดำหัวใจให้มันเหมือนเดิม ครับในส่วนของท่านที่เป็นเกเษตกรกรค ร, ร, รับและมีที่ทํากินนะครับอยู่ในสีพนมมาตรค ร, ร, รับพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในสีพนมมาตรนะครับวันพรุ่งนี้4ตุลาคมครับเก้างเช้าก็ขอเชิญนะครับประชาคมกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีพื้นที่สีพนมมาตรค ร, รับพื้นที่เทศบาลสีพนมมาตรวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ ท่านที่มีพื้นที่เพาะปลูกครับปลูกข้าวในพื้นที่สีพนมมาตรครับอย่าลืมนะครับไปประชาคมวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าครับก็ขอให้นำชุดประชาคมไปด้วยนะครับก็เป็นข่าวฝากมานะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่เขตตําบลสีพนมมาตรทุกท่านครับวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าขอเชิญประชุมประชาคมด้วยนะครับ ในส่วนของพยากรณ์อากาศรภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 ถึงองศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือถึง สิบเจ็ดนาฬกาวันพรุ่งนี้ครับ ความสคัญสักทีเล้เอ้างเหตุผลอยู่นี่แล้วเอาเนิ้วก้อยเกยวอาน้องมันจนความสวยก็จะกระดํากระดรปปาษลูกไปส้นทางหัวใจหลายคนมาสุดท้ายเขาบอกน้องบ่ใจและอยากดูให้แน่ว่า ที่บอกเป็นไรผัดมาขอโทษที่ทำให้รอถ้ากันได้นาะถ้าให้มันในสัญญาคอยให้ทั้งวันหัวใจมันคลีกโอเค เจอคนสวยนพูดความเซ็กซี่มาลองยนินคนชำซอแล้วไปกินดองกับขาขอโทที่ทำให้รอากันได้เนาะใมันในสัญาคอยให้ถึงวันหัวใจมันคลีโอเค 也不离别了，心相团聚。 i h a l k a o u now. not a not a a r t a l i not a l m n t m n n o o t a i a i not n o i มี คืนที่ใดเกิดกับไพ่มันบ่อสำคัญมันจิอยู่ตรงนั้นบ่อหายตามการเวลาว่าสิผ่านมาอดนปานใดในหัวใจบ่เคยร่างราเย็นจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกัน เมื่อสวรรแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาที่ไม่ที่ยังคมอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งย้อนหาคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิม บ่ ม, มีอยังมาพังทลายความมั่นนุซ้อมลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหากที่แลกด้วยแหกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวที่เข้ามาริมบอกเคยคิดยัง ในวันนี้เราเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากแล้วคนที่เราตามหาเป็นยังคือมอสนใจให้ข้องท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่ จำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ มยยัังงาาพทลความมั่นหนูสองลงได้แม่นดินสลายยังมันคงคือจึงตอนเรอ่มฮักที่เล็ดด้วยแห่กดฟ้าจึงมีน้ําตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวที่เข้ามาซ้ำบอกเ วันนี้เราเจอกันแล้วยังบอกแล้วจงต้องจากลาคนที่เราตามหาเป็นยังคูอบ่สนใจให้ข้องทาอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ขอเพียงแค่ I'll wait f o you no m a e h t 18, เไรวลาสิบแปดนาม่กา ครับคุณร้องฟังครับหมดเวลาของรายการเสีตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพฤฒบ้านมเมืองรับแล้วนะครับอย่าลืมนะครับค่ําคืนนี้จะเป็นสดพระวิธรรมค่ําคืนแรกงานของคุณพ่อรานศรีมงคลครับที่ศาราการเปรี่ยนของวัดเสาหินนะครับก็ขอเรียนเชิญคนรู้จักมาคุ้นคนรักใคร่นับถือกับคุณพ่อรานศรีมงคลไปร่วมฟังสดพระวิธรรมค่ําคืนนี้คืนแรกที่ศารากา ร, ปรเปลี่ยนของ วัดเสาหินด้วยครับและในส่วนของท่านเกษตรก ร, กรผู้ปลูกข้าวนาปีครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับ9ก้าโมงเช้าก็มีประชุมประชาคมสําหรับคนที่มีพื้นที่ทํากินอยู่ในเขนตเทศบาลตำบลศรีพนมม่านนะครับวันพรุ่งนี้9ก้ามงเ้าไปประชุมประชาคมด้วยครับสําหรับวันนี้คงต้องนํารายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ